2. ภูตคามาวัตสีปฐมเสนาสนศิขาบทว่าด้วยเสนาสนข้อที่1เรื่องภิกษุหลายรูป108สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นในฤดูหนาวภิกษุทั้งหลายจัดตั้งเสนาสนในที่กลางแจ้งพึ่งกายกันครั้นเขาบอกเวลาพัฒหาร เมื่อจะจากไปไม่เก็บไม่ใช้ให้เก็บเสนาสนนั้นไม่บอกมอบหมายพากันจากไปแล้วเสนาสนจึงถูกน้ำค้างและฝนตกรถบรรดาภิกษุผู้มากน้อยจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าชะนพิกษุทั้งหลายจัดตั้งเสนาสนในที่กลางแจ้งเมื่อจะจากไปจึงไม่เก็บไม่ใช้ให้เก็บเสนาสนั้นไม่บอกมอบหมายพากันจากไปเล่าเสนาสนถูกน้ำค้างและฝนตกรถ